การกราบการไหว้ความอ่อนน้อมในพุทธศาสนานีองค์ธรรมจตมังเจ้าถือว่าเป็นพร อ, อันประเสริฐเดียวพ์พรจิตใจที่มีกำลังคือจิตใจที่อ่อนน้อมเปรียบมือนหลังของเราเล่นโยคะอ่อนดีหลังโค้งสะพานโค้งได้ดีคือหลังที่แข็งแรงชั้นใดก็ดี จิตใจเราที่แข็งแรงคือใจที่มีการกราบการไวหวอ่อนน้อมอันนี้ดูกันไม่อยากแล้วมันจะเกิดศสนเงี้นไหมเสน่มันก็น ม, น ม, นมีพลังทํำให้มีความสุขอ่อนน้อมนี่ไม่ใจอ่อนแอเป็นบุญที่ได้มาโดยชอบเป็นความสุขเป็นความเจริญได้มาโดยชอบะ ความนุ่มนวลอ่อนโยนการยืดหยุ่นการเกง่งกันกลายที่มันทําให้เราเห็นจิตเห็นใจก็เป็นการกราวตัวเองนะนะั่นแหละการกราวแต่ละขณะหันกลับมาเห็นความรู้สึกตัวตภาวของพระพุทธธรรมประสงค์เมเกิดขณะกล่าวขณะไหวเป็นสัญลักษณ์ของคนดี กสู่ังบุระเป็นภาษาขภูฏานเล่าว่าสบายดีทักทายกันขมิ้นก็เรียกว่าอารุณสวัสดีสายันสวัสดีสารพัดภาษาที่เรียกกันต่างๆนานากันไปของไทยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพระแม่ก็เรียกว่าลิงคาา บ, บาสีลังกาเรียกนมัสเตอินเดียเรียกนมัสการมากมาย จีนก็เรียกกันอีกมากมายแล้วกันันเป็นภาษาแต้ว่าสภาวะก็คือความอ่อนน้อมมันอ่อนมันน้อมใจิตใจมันอ่อนโยนมันนุ่มนวลอ่อนน้อมดีสูงสุงสุงสามันเปรียบเหมือนต้นไผ่เหมือนรวงข้าวเวาเจออารมณ์มากระทบหรือ ว, ว่าลมมาสะสมโยกแยกลบแต่ว่าลากอย่างลึกมันคง มันบอกถึงจิตของเราเวลาเจอลมมากระทบเราอ่อนโยนโยกแยกไปมันไม่ใช่อ่อนแอแต่มันเป็นการอยู่ด้วยปัญญาเราก็ได้ใช้คุณธรรมต่างๆที่มันมีอยู่ให้มันอยู่รอดปลอดภัยรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางเพราะฉะนั้นพรที่ประเสริฐก็คืออวิวาฒนาสหลิสิจังบุฒาวิจัยน จตตารโลตามาวัตันติอายุวันโนสุขังพลังการอ่อนน้อมทำให้เราเกิดพลังขึ้นมาสุกสวยรวยดีมีความฉลาดเห็นความจริงก็ต้องเติมสติปัญญาเข้าไปไม่งั้นก็จะโง่หลวงงมไงก็ไหวแบบอนวอนไหวแบบบนบานสารกล่าวไหวกล่าวแบบร้องขอ อันนี้ไม่ใช่คำสอนของอศาสนาศาสนาเราสอนให้เราพึ่งตัวเราเองพนันกกลางรู้สึกตัวเนี่ยมันทำให้เกิดพลังพวกนี้และเห็นลองเห็นรอยชัดเจนแล้วกันอะไรเป็นบุญอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นบาปเป็นอกุศลสติตาในก็จะแยกแยะผ่านการรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจรู้รู้รู้นามจนเห็นอาการต่างๆเป็นคุณธรรมมากมายแล้วเกิด ที่มันมีอยู่ภายในจิตใจของเราเต็มพื้นที่เลยจิตที่มีสติมจะมีกุศลมีคุณธรรมต่างๆมากมายเราได้หยิบใช้ใช้เสร็จแล้วก็วางเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ทําไปเรื่อยๆนะเราไม่ได้ทําด้วยตัณหาเราไม่ได้ทํำด้วยภาวะตัณหาแต่ว่ามันเป็นการกระทําที่เป็นวิบวัตตันหาก็ได้นะวิบวัตตันหาหรือไม่ใช่ตัณหาก็แล้วกัน ถ้าตัณหามันก็เป็นเรื่องของใครในกามใครในความสุขการมตัณหาี้นแต่เพราะว่าตัณหาคือปันตัณหาสร้างภพเป็นตัณหาสร้างภพสร้างชาติเพราะว่าตัณหาเนี่ยถวิภปะวัตัณห า, ปห า, หาเป็นหน้าทีาาาท่เป็นหน้าที่การคิดการพูดการทํากันใช้กายใช้ใจเป็นหน้าที่มันสร้างงานสร้างการให้ตัววิปปะตตัณหาเนี่ย มันไม่ใช่ตันหาที่พาเราะไหลสู่ความเสื่อมไปสู่ภพชาติไม่ว่าทำงานเพราะว่าอาการของพลังข้างในมันสั่งแต่เป็นพลังงานที่มันเกิดมาจากเหตุปัจจัยภายนอกด้วยเห็นสิ่งที่ไม่สะดวกเราแก้เป็นความสะดวกขึ้นมาอืมเปรืนมาเลิกเราก็หยิบไม่กวาดมากกว่าอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องของการทําสิ่งที่มันไม่ดีให้มันดีให้มันปลอดภัย เป็นงานเป็นการเป็นหน้าที่มากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นการทําหน้าที่คือ ก, การปฏิบัติธรรมนั่นแหละปฏิบัติธรรมคือ ก, การทําหน้าที่นั่นแหละเราทําดีทั้งวันไม่ ย, ยึดเป็นกระบวนการปลดปล่อยในชีวิตของเรามันได้ใช้พลังงานที่รับมาเจะเป็นน้ําตาลเป็นแป่งเป็นไขมันถ้าไม่ได้ใช้ก็ความดียังไม่ถึงร่างกายของเราก็ต้องใช้กันจนหมดปอดผ่านจนหมดอันนี้มันก็เห็นร่องเห็นรอยนะนี่ อาหารตะรกะนาตรรกรรมต้องเป็นพลังงานเราก็ได้ใช้นี่แหละนะใช้ปฏิบัติธรรมเดินชงคมตัองจ้างจังหวะหรือว่าสามมองแล้วก็หยิบไม้กวาดมาขวาดหยิบไม้ถูพื้นมาเช็ดถั่วพื้นนะนนี้มันก็กําหนดเฉยๆให้จุมชนอยู่อย่างเรียบร้อยให้สมกติว่าบัดเป็นสถานที่ของห <c oughs> ลักฐานของเอ่อ ปัญญาชนหรือว่าเป็นบัณฑิตหรือว่าเป็นสถานที่ของปูชนียบุคคลปูชนียบุคคลได้อาศัยอยู่กันนทุกซอกทุกมุมเราดูแล้วก็ต้องเลี่ยมเละเลยหลายอย่างได้มาจากบนของชาวบ้านที่เราไม่ได้ขุนขวายหามาใส่เราก็ต้องรักษากันมากมายเหลือเกินเราจะต้องใช้กายใช้วาจาใช้จิตใจของเรานั่นแหละให้บนมันเกิดเป็นกุศล ข, ขึ้นมา ให้บุญมันพาภปนิพพานทำบุญก็ภปนิพา น, า น, น, พานอาหารเป็นเลือดเป็นเนื้อเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมมุ่งสู่พระนิพพานมันไม่ได้มุ่งสู่เรื่องอื่นเนี่ยมันเป็นการแสดงออกต่อกันทั้งต่อหน้าและรับหลังเราก็จึงใช้เวลาเพื่อการปฏิบัติธรรมเราก็เราได้ใช้สถานที่เพื่อการปฏิบัติธรรมเราก็เลใช้รูปแบบเพื่อการปฏิบัติธรรมได้ใชนะ้สปายะเพื่อการปฏิบัติธรรม เพื่อการนี้โดยเฉพาะก็จึงเกิดเป็นวัดวารามขึ้นมาเกิดมาจากผู้ที่เข้าใจแล้วก็เห็นว่าเกิดประโยชน์ก็ได้สร้างสรรเงินขึ้นมาเป็นวัดปา่าสุโกโตมีแง่มุาา ม, มต่างๆให้เราได้ใช้จนเกิดปัญญาญาณเนี่เยเพราะว่ า, วาการที่เรากลับมารู้โดยตัวของเราอันนี้สําคัญครูบาอาจารย์ทั้งกระชีเป็นแผนที่ไว้เฉยๆแผนที่ มอบอกคนไข้ว่าเออนี่นะฉลากยานะอ่านด้วยเราทานยาวันละหนึ่งเม็ดหลังอาหารตอนเช้าเราก็ไปวัด ต, ตามอาทานจนกระทั้งสามเดือนนะเจ็ดวันนะครบโดแล้วก็หยุดซะเราก็ไปวัด ต, ตามเรียว่ากินยายครบโดสให้น้ำเกลือกนจนความันจะฟื้นมีเลี้ยวม่แรงขึ้นมาแล้วว่าคุณหมอพยาบาลก็สังเกตได้ว่าตัวมันบวมขึ้นบวมขึ้น มันชยน้ำเกลือเน้ําเกลือไม่ไหลไปตรงจุดที่ต้องการมันบวมมันท่วมเกาออกซะอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องอาศัยผู้รู้ <c oughs> ได้ชี้นํำมาไว้ววเราก็เห็นล่องเห็นรอยเดินตามมันก็จะตรงประเด็นไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาความรู้สึกตัวนี้มันเกิดจากการเคล่อนการไวหวกายจริงๆอย่าทั้ ง, ง, ง, งมันเห็นอาการต่างๆของกาย เขเรียกว่าเวทนานะเวทนาเห็นสุขเห็นทุกข์มันเกิดขึ้นมาเห็นจังกั้งเหมือนกับว่าอ๋อแต่แปลว่าความรู้สึกตัวมันก็มีแล้วนะเป็นสุขเป็นทุกข์แล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์ไอตัวที่เรากระทบสัมผัสนี่ไม่สุขไม่ทุกข์เนะี่ยรู้ซื่อๆตัวเนี่ยรู้เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์แต่ถ้ามันมีสุขมีทุกข์แล้วก็ซ้อนซอนขึ้นไหจากอาการของมันแล้เกี่ยวเข้าองถูกต้อง นนั่งนานเจ็บปวดเมื่อเกี่ยวข้องถูกต้องมีระบทในการช่วยเหลืออยู่หรือว่าจะใช้ความอดทนเป็นตบะขันติความอดทนอดกลั้นเป็นตามเครื่องเผาอิเล็กแองจิ่งจิตใจที่ไม่เคยเข้มแข็งก็เข้มแข็งขึ้นมากลายเป็นว่าเออได้เรียนรู้เวทนาเวทนานทําให้เรานะทุกข์แต่ว่าใจของเราก็รู้สึกอยู่มีความรู้สึกอยู่ไม่เข้าไปในความทุกข์มันก็มีอยู่ ตามกําลังของสติที่มันมีพลังตามสมควรแก่การปฏิบัติแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมันจะอินทรีย์แก่กล้าขึ้นมากายอินทรียร์จะเข้มแข็งขึ้นมาที่ฐินเสียจะเข้มแข็งขึ้นมาพละาห้าอินทรีย์ห้ามมันจะก่อตัวขึ้นมาจนทั้งเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์เกิดคุณค่ากับการปฏิบัติเกิดคุณค่ากัการปฏิบัติทำก็คือเห็นรายละเอียดของกิเลส ท, ที่มันละเอียดลงเอียดลงเอียดลง อย่างหยาบก็มีอย่างกลางก็มีอย่างละเอียดเลยก็มีเช่นการที่เราฝึกความสึกตัวมีสติเนี่ยก็จะเห็นลักษณะของกิเลสตัวห ย, ยาบๆความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันตัดลงทันทีนะเวลากระทบสัมผัสรู้สึกการที่กายมีความรู้สึกกระทบสัมผัสเนี่ยจิตมันคิดปรุงไม่ได้ทุกครั้งที่รู้สึกน้ำพานอะไรมาเยอะจริงๆ การที่จะไหลไปเดียอนาคตมันก็ไม่มีมันก็อยู่กับปัจจุบันมาแล้วต่อมาก็คือสมาธิมันก็จกํากัดกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างกลางมันมีอยู่เกิดขึ้นมาแต่ล้วใช้ปัญญากําจัดกิเลสอย่างละเอียดก็คือความสุขที่เกิดจากสมาธินั่นแหละการติดสุขเว่าไม่เห็นมันไม่รู้สึกตัวไม่กลับมารู้สึกตัวไม่รู้สึกที่กายไม่รู้สึกที่เวทนาไม่รู้สึกที่จิต ไม่เห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงมันจะเข้าไปเย็ดในอาการต่างๆแล้วว่าสภาวะตาในสภาวะผู้ดูนะสภาวะของสติมันยังไม่แก่กล้ายังไม่นเรียกว่ามีพลังมากพอตัวนี้เราเราจึงต้องเรียกว่าเก็บอารมณ์มพระพ่อท่านก็เทศถึงว่าทําศีลให้มันถี่ศีลเนี่ยทาให้มันถี่ศีลขันสมาธิขันนะทำให้มันตั้งมัน่นจริงๆแล้ว มีความว่องไวก็คือปัญญาขันนมันจะมีความว่งไวเห็นในรายละเอียดหลวงพ่อจะอว่าสั่งยชนดนะสั่งยอดเนี่ยมันเป็นอย่างเหนียววมากเป็นลนักษณะของอาการต่างๆที่จริงๆแล้วมันก็ไม่มีชื่อหรอกเมื่อเรากระทบสัมผัสนะสัมผัสรู้มันก็จะไปสัมผัสนะมันไม่ใช่คิดรู้นะถ้าคิดรู้เนี่ยมีภาษามากมายแล้วกัน มันจะเป็นสม ม, มสติบัญญัติมีสติดูจิตนมีสติดูกายมีจิตเห็นจิตมีสติรู้สติแล้วก็แท้สุดก็คือมันเป็นความว่างจากความหมายของความเป็นตัวตนจริงๆมันก็เลยเป็นคําพูดสมมติบัญญัติต่างๆมากมายเป็นระนาบของจิตคิดคิดรู้พวกเนี้ยจริงๆแล้วก็คือการสัมผัสนั่นเองนการสัมผัสที่ความรู้สึกตัวจะตั้งมันเห็นลองเห็นรอยภายในก็คือมันเป็นมรรคกันนะ ทิมเกิดจากข้างในจริงๆที่เคยใช้คําว่าเราจะสามารถเห็นอาการข้างในแล้วก็แทรกภาวะของกิเลส ข, ของอารมณ์ต่างๆทิมเป็นภาวะที่มันบีบคั้นเป็นสภาวะที่มันขับขันแต่มันสามารถแทรกหลุดออกมาได้มันแทรกหลุดโดยที่ไม่มีภาษาเลยนะเป็นการวางใจที่มันพอดีของมันเองจากการฝึกฝนมานานหลายวันหลายเดือนแล้วก็หลายปนะีมันก็จะมีของมัน เพราทังเราเห็นแล้วอ๋อไอ้ตัวนี้นี่นมันเป็นภาษาที่คนอื่นด้วยนะมันเป็นภาษาอยู่ข้างในของเราของใครของเราด้วยที่เป็นอาการที่เราเพิ่งมันได้จริงๆมินตาก็รู้แล้วสันเสรก็รู้แล้วมีราบเสื่อมราบมียศเสื่อมยศมันเห็นเลยละมีสุขมีทุกข์อาการของมันมันเป็นอาการนั้นทำไ ม, มาจริงๆแล้วนะจะไม่ต้องพูดก็ได้มันเป็นอาการเป็นภาษาธรรม เป็นธรรมะเป็นธรรมชาติที่เป็นภาษาอาการแต่ว่าภาษาคนเป็นภาษาพูดแบบคนไทยแบบบาลีแบบสันสกิตแบบภาษาอังกฤษะอันนี้ก็เป็นภาษาสมมตนะิพอจะได้ประโยชน์อยู่บ้างอย่างเช่นว่าพระสงฆ์รูปแรกที่เกิดขึ้นมาเราก็ได้ยินได้ฟังแล้วว่าธรรมจากิขวัญสูตรนะเป็นคำพูดนั่นแหละที่องค์ส ม, มเด็จสัมมาเจ้าใช้เป็นภาษาบาลี แล้วก็เทศนาออกไปธรรมจารคปาวะสูตรนะแล้วก็อัญญโกทัญญาต์ก็ได้บรรลุธรรมกายเป็นพระอัญญโกทัญญาอัญญาสิวะทโกโพทัญญนโยก็เกิดมาจากการที่เราได้ยินได้ฟังแล้วก็มันตรงช่องไม่พอดีเครื่องรับก็มีเครื่องส่งก็มีแล้วก็พอดีกันปัญญาเกิดพอดีแล้วเกิดการเดินทางภายในใจขึ้นมาก็ตรงประเด็นเดียวบรรลุธรรมทันทีอย่างนี้ แตว่ายุคต่อมาแล้วก็เห็นแล้วว่ามันก็น้อยเต็มทีพูดถึงเรื่องตัวปฏิบัติกรรมฐานวิปัสนาสมถะเนีเยอะสมถะกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานแล้วก็มีก ฎ, กฎระเบียบวินัยต่างๆของเราก็ใช้ศี่สอง้อยิบเจ็ดข้อแล้วก็ตามที่นะยุคเลิกการที่สี่ซึ่งเป็นธรรมยุทธ์ก็ได้เรียกว่ากำหนดออกมาอีกมากมายแล้วเกิดแล้วการที่ห้าเนี่ยก็ได้เรียกว่า ทำสังฆทานากันต่างๆมากมายแล้วกันจนกระทั่งถึงยุคเรารตัตนโกสินทร์มันก็ผ่านมานานนั่งลองรอยเราจะเข้าถึงตัวไหนระเบียบ ว, วินัยตัวไหนกติกาข้อไหนตรงไหนก็ขึ้นอยู่ว่าเราอยู่ชุมชนไหนชุมชนนี้หลวงพ่อท่านไปให้เป็นอิสระพอสมควรทีเดียวแต่ว่าเราวังเทศบาลชาเราก็จะเห็นมันก็น่าที่จะมันก็ว่าตระหนักในรวบรวม คำพูดแล้วก็สิ่งที่ท่านได้บอกได้ชี้ได้นําได้สอนบอกฮะนะเมื่อกี้ที่เราบ ร, รัณฑิตควพิจารณาหนึ่งๆว่านะเราสามารถที่จะตีเตียนตัวเราเองได้หรือไม่เพนะราะว่าผู้รู้นะใครควรแล้วนะแล้วก็ตีเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่บางทีเราก็ยังว่าแหละนะมันเป็นเรื่องที่เราก็กลัวกลัวถูกหลอกกลนะัวเข้าหลอกนะ่ะ มันก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าบางทีเราก็เสียเวลาเนิ่นช้ากับการที่จะน้อมรับนะเอาสิ่งที่ดียินได้ฟังมาปฏิบัติมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับว่าเราโง่เกินไปอะไรเงี้ยนะที่พูดนี่ก็คือผมเคยเป็นนะอาตมาเคยเป็นอย่างนั้นก็ไม่อยากจะเชื่อเพราะว่าบางทีมันมีพฤติกรรมแปลกๆมากมายแล้วกันที่เราก็ไม่รู้ว่าเออตกลงก็บอกเราจริงหรือบอกเราแบบเหมือนกับว่าหวังผลหวัานพืชหวังผลงนั่นแหละ แต่ท้ายสุดพอเราฝึกเจริญสติเราก็จะเห็นเออมันจริงขนาดในยกหลวงปู่เทียนเนี่ยนะมีหลวงพ่อครูบาอาจารย์หลายคนท่านเคยเจอหลวงปู่เทียนแล้วท่านก็ไม่ไม่ศรัทธาไอ้ิสี่จังหวัดแต่ว่าในคำพูดของท่านก็คือการที่เราจะปฏิบัติธรรมแล้วก็เข้าใจธรรมะต้องรู้รูปนามก่อนก็ามารู้รูปนามเนี่ยมันติดหูติดใจหมนะายว่าอาจารย์ ที่ท่านหลวงรับไปแล้วหลวงพ่อจะรันจะทุลักนะท่านได้พูดไว้เมื่อก่อนตอนมีชีวิตเนียเคยสนทนาด้วยกันบ่อยมากบางทีก็ไปก่อนที่จะเสียชีวิตก็ไปเกาะอะไร ล, ลันตาก็ไปนอนกันหลายคืนมีบทสนทนาต่างๆบางทีก็ไปนั่งเรือออกกลางทะเลเกาะรอบได้มีบทสนทนาแล้วก็ไม่ได้ไปสนใจเรื่องข้างนอกแต่ไปสนใจเรื่องทำมาประสบการณ์ของท่านเป็นไง มาสนใจเราจะได้เออได้ยินได้ฟังมเป็นประสบการณ์ท่านก็บอกว่าท่านเองเนี่ยไปที่วัดโมกนะก็ไม่กล้า ย, ยกมือสิบสี่จังววาอายว่าฝึกแบบยุบหนอพองหนอนจนทั้งเจ้าสำนักเาก็ยอมรับว่าท่านได้ยานสิบหสามารถเดียวสอนลูกศิษย์ลูกหาได้เลยแต่ว่าท่านก็บอกว่าเ อ, อ๊ะทำไมมันยังกวดอยู่เห็นพระไปซื้อหวย หลังจากที่ไปดัดทำเสร็จเดินมาขณะก็มาขาย ห, หวยก็ยังซื้อหวยอยู่ท่านก็มีอารมณ์ขึ้นมาเห็นพระสุบริท่านก็มีอารมณ์ขึ้นมาแต่เอ๊ะมันยังโกรธอยู่มันไม่ใช่อ่ะนะที่ครูบาอาจารย์รับรองยานสิบหกยานสิบหกเนะ่ยเอ๊ะทำไมมันยังมีอาการงุดหงิดอยู่เนยท่านก็เลยไปที่วัดโมกนะพอไปเห็นก็ยกมือสิบสี่างวันมันก็ทำใจไม่ได้เคยนั่งนิ่งๆหนอหนอเดินช้าๆ นอหนอเงี้ยยกนอย่างนอเหยียบหน อ, ก, หนอกดหนอแต่พอมายกมือสิบสี่ไงวะมันไม่เคยเห็นมันไม่คือท่านใช้คำภาษาสานบอกคือบอกคือนักปฏิบัติธรรมบอกคือนักกรรมฐานนมันต้องนิ่ ง, งมันโก้เนี่ยท่านใช้คำนี้พอมายกมือท่านนะน้องโอ้มันมันไม่ยอมรับเลยท่านก็ต้องอาศัยนี่ ไปนั่งอยู่ในห้องน้ําในส้วมแล้วก็นั่งยกมือจุดสี่จังหวะอยู่ในส้วมในห้องน้ําอันนี้ก็คนหนึ่งละอีกคนก็คือหลวงพ่อมหาไหลโกสโก้มีหมอคงศักดิ์เนทันมาเมืองไทยแล้วก็ไม่เอาเสื้อผ้าไปเลยมีถ้าขนสื่อหลวงพ่อเทียนเอาหนังสือหลวงพ่อเทียนเอาวิดีโอหลวงพ่อเทียนเอาเทพหลวงพ่อเทียนใส่กระเป๋าไปทั้งหมดมีท่าไหลในประเทศไทย เสร็จแล้วอาไปที่วัดที่หลวงพ่อมหาไหลเปลี่ยนเก้าประโยคเป็นพระธรรมทูตสายสารลเมิกาไปอยู่ให้ไปดูเราก็ไม่สนใจเลยเพราะว่ามันขัดหูขัดตาการยกมือ14บสี่ชั่ววัเยเสร็จแล้วก็มีพระเลขามหาสมชัยก็สนใจว่าอยู่ต่างประเทศไม่มีอะไรทำอ่านหนังสือดูสื่อฟังเทป ก็เห็นว่ามันเป็นการฆ่าเวลาที่ดีพอดูไปดูมาก็ลองทำตามหลายวันผ่านไปมันก็ปรากฏว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาทาั้งๆที่ไม่รู้ไม่มีครูบาอาจารย์ด้วยนะอ่านหนังสือแล้วเห็นว่ามันน่าสนใจก็ลองทำดูหลวงพ่อมาหาไหลก็สังเกตแล้วเอลูกศิษย์คนนี้เนี่เปลี่ยนไปทาไมดูเรียบร้อย น, นอบน้อมแล้วก็อ่อนโยนสุภาพดูสุขุมเยือกเย็น เออแปลกนะเราอยู่มาวันนึงก็ขอกลับบ้านท่านก็ทวงว่าเออเรามาด้วยกันนะมันต้องกลับด้วยกันนะการที่จะกลับไปบ้านก่อนเนี่ยมันก็ไปพร้อมกันไม่ดีกว่าหรือท่านก็บอกว่าผมไม่รู้ว่าผมจะตายวันไหนผมอยากไปบอกพ่อบอกแม่รู้สิ่งนี้นะผมมีความสุขมันใช่แล้วก็อยากบอกบอกบอกแม่พ่อแม่ยังอยู่ที่ประเทศไทยมีชีวิตอยู่ ผมไม่รู้ว่าผมจะมีชีวิตยอยู่ได้อีกนานแค่ไหนหลวงพ่อมาหาไหลก็ไม่ขัด <c oughs> พาไปส่งที่สนามบินตอนที่จะแยกจากกันนะํหาหมาสมใจก็ถามหลวงพ่อมาหาไหลว่าเมื่อไหร่ท่านถึงจะปฏิบัติถามคำน่ยมไว้เมื่อไหร่ท่านถึงจะปฏิบัตินหลวงพ่อมหาไหลฟังแล้วก็รู้สึก ม, มันมีอะไรเปลี่ยนไปแล้วละ่ะในภาพรูปเนี้เสร็จแล้วท่านก็เลยกลับไปดูสื่อ เสรก็ลองพลิกมือหายพลิกมือกวา้างดูลองยกมือสิบสี่กว่าตามดูพอมีคนมาก็หยุดทําอายเสร็จแล้วก็เหมือนกันไปนั่งในห้องน้ําลองทําดูแล้วก็มีอีกปีหนึ่งหลวงพ่อเขียนท่านก็ไปจำพรรษาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปเยี่ยมหลวงพ่อมาหาไหลในปีนั้นเองหลวงพ่อมาหาไหลก็เลยตามหลวงพ่อคําเขียนมาที่วัดป่าสุตโขทแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ท่านก็ยังไม่ได้กลับไปที่ประเทศสหรัฐอีกเลยพระธรรมทูตลูกเนี้ยก็กลายเป็นมาไปสร้างศูนย์วิปัสสนาอยู่ที่จังหวัดสกลนครวัดป่าหนองครูจังหวัดสกลนครมีความรู้ทั้งปริยัตทั้งปฏิบัติทั้งมีผลการปฏิบัติมาอยู่ที่วัดป่าสุตโตนะปรญหาหนึ่งตั้งใจปฏิบัตหลังจากที่กลับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเอาจริงเขาจังกับเรื่องวิปัสสนากรรมฐานแนวเคลื่อนไหวเดี๋ยวนี้ท่านก็ สอนการเคลื่อนไหวยังั้งยศถามดิาสังย์ให้ขึ้นไปสูงนะก็มีเกณยนเปลี่ยนเก้าประโยค ห, หลายรูปในประเทศไทยที่ปฏิบัตินะหลวงพุทเจแล้วก็เทียงแทนเวนะลาไม่มีใครมาเก่าตู่มีใครมาเก่าโทษมีใครมาเก่าไล่กบรูปแบบวิธีปฏิบัติพวกนี้กนะ็จะมีพระพวกนี้นออกปกป้องหมดเลยเราก็จึงนี่แหละอยที่นี่นะก็ถือว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างละ ที่นี้เป็นวัดป่าสุขโตที่มีหลวงพ่อมเขียนนั่นเป็นประธานสองแล้วท่านก็บอกชัดเจนให้เราพากันทําพากันปฏิบัติมันจะเกิดความเข้าอกเข้าใจขึ้นมาแล้วเสำคัญเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมันทนอยู่ไม่ได้หรอกมันจะเกิดการบอกต่อแน่นอนในเมื่อมันรู้จริงเห็นจริงเนี่ยมันแจ้งประจักษในศาธรรมัน่ะต้องบอกต่อไม่มีใครเก็บไว้มีภาษาพูดเราพูดอะไรกันได้มากมายแล้วกันทําไมพูดทำมากมัจะพูดไม่ได้หรือไง เรื่องกายเรื่องใจเรื่องรูปตามนามทำเรื่องขันห้าวเนะี่ยมันมีอยู่จิตมันก็มีอยู่กับเรากายมันก็อยู่กับเราเมื่เราเห็นเรามันต้องเห็นเขานะสิ่งเดียวกันเราก็จึงเหมือนกับว่าได้ยินได้ฟังไว้เป็นแผนที่เพื่อที่จะได้ลองปฏิบัติตามดูแล้วก็มันจะเดินตรงไปตรงมาหรือไม่เราก็สังเกตเอามีอยู่ครั้งหนึ่งนะ ม, มันก็เคยเหมือนกับว่า ต้องการแผนที่มากคือปฏิบัติแล้วมันไม่รู้ว่าไอสภาว่าแบบ น, นั้นมันคืออะไรต้องการคําตอบแล้วก็คําตอบต้องตอบจากหลวงพ่อเขียนด้วยพรเราเคารพศรัทธารูปอื่นแล้วไม่เชื่อสักรูปเลยเหรอกมีความเขียนนะท่านพูดเราจะรับฟังรูนอื่นไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมไม่รู้ไม่รู้ว่ารู้จริงรู้จักมาพูดไม่แน่ใจครั้งหนึ่งนะเคยมียวันหนึ่ง พอเราฏิบัติมีอาการหนึงเกิดขึ้นมาเราก็ไม่รู้มันคืออะไรนะมันเบาโล่งเจอแล้วก็มันตื่นตัวดีอย่างเลยแล้วก็สงบะแล้วก็เหมือนกับยิ้มยิ้มมันยิ้มยิ้มตั้งแต่ตอนใจสายแล้วมันตื่นมันโล่งมันเหมือนกับไม่มีตัวไม่มีตนเลยเะสภาวะตรงนั้นนะทมบัดเย็นๆแบบนั่งยังนั่งแบบมันเกิดอะไรขึ้นหนออาการอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกอย่างนั้นเลย โอมันก็ยังไม่ถามนะมันก็รอดูว่าถ้าหากว่าสภาวะนี้ยังคอยยังยังมีอยู่นะเราคอยดูเราเห็นมันจนกระทั่งมันมีอยู่ตลอดเวลาเวลาลยก็เชื่อว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือนิพพานเพราะว่าสัจธรรมมันต้องปรากฏอยู่ตลอดเวลาเราก็เชื่อไวต้ ต, วไวตัวเนี้คือนิพพานทํามันคือนิพพานนะนะเราก็ยังไม่แน่ใจแล้วก็นอนหลับตื่นเช้ามามันหายไปอา ก, การสภาวะที่มันล่วงตื่น มันสงบมันหายไปแล้วกลายเป็นธรรมดาๆเนี่ยแหละปกติเหมือนเดิมอีในเย็นนั้นก็เลยถามหลวงพ่อเกียรว่าหลวงพ่อครับผมไม่รู้น้ำสภาวะเนะ่มันเป็นอาการผมก็เพิ่งไปถูมันมันเหมือนกับว่าผมสมมติว่าผมหายใจไปแล้วไปชนที่มันเป็นสภาวะมันกลางๆจริงจากขมอมลงมาะ เสร็จแล้วไปชนตรงนั้นนะมันมันขยายผลนมันไปแตะแล้วมันสงบมาแล้วมันก็ขยายผลมันตื่นมันยิ้มมันพอใจมากเลยหลวงพ่อก็ถามว่าเออแล้วเราดูมันแล้วก็อยู่กับมันหลวงพ่อก็ถามเงนี้ยดูมันแล้วอยู่กับมันหลวงอาตมาก็เลยบอกท่านว่าผมผมเห็นมันนะผมผมเห็นมันอยู่ผมดูมันอยู่ท่านก็เลยบอกว่าเออ อันนั้นนะเขาเรียกว่าปัสสธินะปะสัสทธิแล้วบางทีเนี่ยไอ้ที่เราว่าใช่มันจะไม่ใช่นะอย่าเพิ่งไปสรุปมันไอ้ที่ว่าใช่มันจะไม่ใช่ทําไปเรื่อยๆก่อนให้ให้รู้สึกตัวต่อไปเยอันนั้นครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งโดนพระเพื่อนกันก็ไม่ไว้ใจนะคืออย่างว่ามาอยู่ร่วมกันเราไม่ได้รู้สึกตัวนะอย่าคิด แง่คิดมุมมองก็จะมองกันไปต่างๆนานาและไม่ถามไม่ทางห่างอยู่ๆก็รีบสรุปเลยรวมกลุ่มกันแล้วก็ลงมติสงอย่างเงี้ย น, <c oughs> นะก็เรียกว่าต้องต้องทำสามีกิจกันเป็นกิจกรรมของว่าสงฆ์ลงโบอถ์กันเพื่อที่จะเรียกว่าตั้งอธิการกันขึ้นมาเสร็จแล้วก็เลยรู้แล้วเรื่องนี้ถึงหูหลวงพ่อแล้ว ก็เลยเดินไปคิดว่าถ้าท่านถามก็ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าไอ้สิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วปุนี้จะตั้งอธิกรณ์มันคืออะไรกระโดดได้มันจะคืออะไรในสมัยนั้นก็มีคนเขาเรียกว่ามาอยู่กันมากมายแล้วก็มีพระทนายจบทางกฎหมายมาแล้วก็บกวกกับคนไม่ได้ปฏิบัติก็จะพยายามดูนั่นดูนี่ดูน่นไปแล้วรวมหัวกันแต่แล้ว ตัวเองก็เห็นว่ามันไม่ค่อยอยู่ที่ธรรมแล้วแหละถ้าเกิดขึ้นมาเรื่องแบบนี้แล้วจันไรแน่แล้วอุบาทแน่เลยเราก็เห็นว่าควรจะชี้ไม่ให้เพื่อนกระทุกนานไม่ให้เรื่องที่มันเกิดขึ้นมานม่ต้องหมู่มากรวมหมัวแล้วก็กลายเป็นเรื่องของหมูมากลากไปเอาถูกเป็นผิดอะไรวะเนี่ยเอาเหตุเอาผลเอาแพ้เอาชนะกันเราเลยจะตัดไฟ ต, ต้นลมเหมือนกันเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็มีปัญญา ไปหาหลวงพ่อก่อนเสร็จแล้วหลวงพ่อท่านถามนะดูอยู่หรือว่าอยู่กับมันคำถามนี้ดูอยู่หรือว่าอยู่กับมั น, ม น, ออมนเพราะปกตินะถ้ามีเรื่องเราก็จะไปอยู่กับมันอยู่กับเรื่องราวผมเล่ามาบอกว่าดูมันครับผมดูมันอยู่ตอนนั้นเองหลวงพ่อก็จะหลวงพ่อจะไปซื้อของนะถ้าดูอยู่เนะี่ย หลวงพ่อก็ไปทันทีโดยไม่ต้องฟังกันว่าเรื่องราวคืออะไรอย่างนี้ยถ้ามีภาวะผู้ดู่มันไม่เกี่ยวเลยถูกพิเธีผลไม่เกี่ยวมันเกี่ยวดูอยู่ผมก็ไม่ทุกข์แล้วไม่ทุกข์ก็ดีแล้วลเวลามีข้อสอบนะมันก็จะดูว่าเราทุกข์หรือเปล่าดีคนก็เดินใส่เราดีคนก็ตลึงตาใส่เราดีคนก็ทําเสียงไล่ใส่เรามันมีอย่างเช่นว่าเคยนะเวลาเรานําสวดมนนะ์เนี่ยเพื่อนําให้พรน่ย บางทีเราเจอข้อสอบยัตตาวะรีวะฮาปุลาบริเบนตีซากรังเอวะเมวะตุตินางเปตานางอุปกปติวิชิตังวิชิตังตุมัง่ว่ะเมวะจะมีตัวสลเรีัวังกปาฉันโตะโยตามณิโชตระโสยัตาอันนี้เราก็ต้องสวดนาไปก่อนใช่ไเสร็จแล้วก็คือสพีตโยวันฉันตูอไรนะแล้วก็จะต้องขึ้นส่ง ก็จะมีข้างหลังเวลาพร cool ้อมกันก็จะพูดว่าความจันเลยทั้งปวงปมบำลาดไปก็จะพูดแรงๆใส่หลังเราอะนะคนที่อยู่หลังนะ่ก็คือคนที่เขาตั้งอธิกรณ์ต่างๆมากมายอะไรแบบนี้เราก็รู้แล้วอ๋ออาการอย่างเงี้ยเป็นอาการของคนที่เขาไม่ชอบเราทอนนั้นเองเราก็สงสารเขาอะไรอย่าเงี้ยตรงนี้แหละมันจะเย็นผู้เข้ามาข้างในอาการพวกนั้นเราจะสังเกตได้ ความร้อนจะอยู่ที่ใจเขาและมีพลังมากระทบเราแต่ว่าความเย็นของเราเนี่ยจะเกิดมาจากข้างในแล้วสามารถที่จะดับร้อนของเขาได้ด้วยนี้จะเกิดการให้อภัยขึ้นมาอ่อนโยนนุ่มนวลขึ้นไหมไม่ถือสาหาความขึ้นมาแล้วจะมีปัญญาเปลี่ยนก็ได้ด้วยแต่ว่าก่อนเปลี่ยนถ้าเป็นนักกรรมฐานเนี่ยให้เขาได้ลองใช้กรรมก็ดูก่อนให้ชิมว่าเวลาลงนรกนั้นเป็นยังไงเวลามันร้อนมันลุ่มนั้นเป็นยังไง เวลาเราร้อนรุ่มเป็นไงเวลาเราผ่านมาได้แล้วเขายัางร้อนเหมือนเราเคยร้อนนะ่ะน่างสงศารตัวนี้นนะเราก็จะได้เหมือนกับว่าเป็นเพื่อนเป็นไงยามิตรซึ่งกันและกันนะมีเมตตามีเขา้านาพร้อมที่จะช่วยต่อไปถ้าเขาดีขึ้นนะเมื่อทีเราไม่ต้องอะไรมากถ้าลูกเขามีลูกเห็นไนะเราก็ถามว่าเออขอโทษลูกเป็นไงมั่งเนี่ยท่านมาบวชเนี่ยเป็นไงมั่งลูกเนี่ยเรียนจบหรือยังอย่างนะถ้าถามเรื่องลูกปั๊บใจมันจะดีขึ้นมาภรรยาท่านเป็นไงมั่ง อยู่บ้านได้ไหมเนี่ยไม่เดื อ, อดร้อนหรืองไงท่านมาบวชเงยคงจะอยู่ได้อยู่นะเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนอารมณ์ไปเลยเนี้ยเคยใช้แล้วก็ได้ผลมาเนะี่ยบางทีถึงขั้นก็ร้องโหยร้องไห้แหละพราบางรูปตั้งอธิกรณนะท่านเดินตามผมมาท่านมองผมเนี่ยท่านจะกดรอยจับผิดผมใช่ไหมโอ้ยท่านกระใจไม่ถูกแล้วนะอย่างนี้แล้วกันถ้าเห็นถ้าท่านเห็นผมว่าผมผิดเนี่ยท่านเห็นผมว่าผมผิดผมก็ ขอกราบขออภัยตรงนี้เลยนะสัปดาห์ไปเยอะนี้สัปดาห์อย่างนี้สัปดาห์แบบนี้สภากลากาไปยอะนี้สภากลากาอยนีผู้สั ป, า ป, ส ป, าปดปาห์ใส่กราบมอบเลยพระผู้น้อยให้พระผู้ใหญ่ได้กราบมอบเลยตรงนั้นนะ่ร้องให้โฮก็มีนะบางทีมันเป็นการพลิกอารมณ์ทันทีทันใดตรงนี้แหละที่เคยใช้แล้วก็มองเห็นว่ามันใช้ได้ผลอยู่ตามสมควรตามกําลังของอารมณ์แต่และอารมณ์ที่มันมีมากบ้างน้อยบ้าง ก็เกิดมาจากความรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยแหละบางทีเราก็หนีไปเลยหายตัวไปเลยมันไปแก้อะไรมันหรอกทุกสิ่งทุกอย่างให้เวลาผ่านไปแล้วก็เรื่องราวต่างๆมันจบลงได้ตัวของมันแต่เรื่องของเราคือเรื่องของเราที่เราก็ไม่ได้มีตัวตนออกไปออกรับอะไรทั้งหมดเพราะฉะนั้นสุขมันก็ฆ่าเราได้ทุกมันก็ฆ่าเราได้บุญมากๆติดบุญมันก็ทําให้นหลงอยู่ในความสุขน ในการทำบุเนี่ยได้หรือว่า เ, เวลาเราทุกข์แล้วก็ไม่มีทางออกที่ความรู้สึกตัวก็สามารถที่จะติดทุกข์เกิดจากความคิดเก่าๆความทุกข์ปัญหาเก่าๆจากบุคคลหนึ่งสองสามนะจากวัตถุหนึ่งสองสาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมด ม, ม, มายรยาทมาเรื่อยของความคิดเหลังการออกมารู้สึกตัวมีกายเคลื่อนไหวมีใจคิดนึก เ, นเราออกมา ร, กรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเห็นใจที่มันคิดนึก ตรงนี้เห็นบ่อยๆมันเป็นภาษาอาการที่เราสัมผัสที่เกิดจากการปฏิบัติเริ่มต้นที่การรู้สึกตัวแบบแนวเคลื่อนไหวนั่นแหละการนั่งพริกมือรู้สึกตัวแล้วก็จนครบสีจังหวะเราก็ได้เดินจงกรมเดินไปเดินกลับแล้วก็เล็กๆน้อยๆล้วก็ตามเก็บตกการที่เราเคลื่อนไหวแต่แล้วก็น น, น ไม่ว่าที่จะผลิตขึ้นมาเองหรือว่ามันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติก็ตามจะเป็นอาการของสติปัฏฐานแล้วก็สามาธีมีความว่องไวแล้วก็สามาธีสัมผัส จ, จับอาการเหล่านั้นได้ตรงนี้เป็นเครื่องอยู่ของจิตเราในระดับหนึ่งเป็นที่อยู่เป็นวิหารธรรมก็คือร่างกายของเราแต้โหเจ้เท้ามันเป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นบ้านเป็นที่อยู่เป็นที่พึ่งของเราในระดับหนึ่งเมื่อเราเหมือนกับว่า เห็นเวนาจิตดำจิตมีความเป็นปกติมากขึ้นสติรู้สติอันนี้ก็หมายถึงว่าบางทีรูปแบบมันก็ไม่ต้องมาใช่รูปแบบอาจจะใช้ไม่ได้แต่ว่าสภาวะที่มันมีอยู่ตาในตาติตตาปัญญาก็จะทําหน้าที่ตามกลไกของเขาเองนี่เพราะฉะนั้นการที่เราฝึกสตินะมีสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันทำให้เกิดศีสีก็ทำให้เกิดความสุขศีลทําให้เกิดโปกย์ ศีลทำให้เกิดความเย็นอย่างงี้ย น, นะศีลก็คือความเป็นปกติสิ่งเดียวกันแล้วก็ศีลเมื่อเรามีความสุขอยู่ที่ไหนสมาธิมันจะตั้งมั่นอยู่กับตรงนั้นเรื่องนั้นนะเพราะว่าทุกคนก็ปรารถนาสุขรักสุขเกลียดทุกข์มันไปอย่างนั้นทุกคนก็ปรารถนานะความปรารถนาของมนุษย์นั่นเองปรารถนาที่จะไปสู่สวรรค์ปรารถนาที่จะมีทรัพย์ปรารถนาที่จะปราศจากโลกไปใคร้เจ็บอย่างเงี้ย ความปรารถนาของมนุษย์เป็นอย่างนั้นเมื่อสมาธิมันตัต้งมันขึ้นมาจากความสุขนอิมปรากฏอย่างเงี้ยเมื่อเราเห็นว่าเออสภาวะของสุขมันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่หลับไปก็เป็นสภาวะที่มันก็ไม่ยึดไม่เถื่อเหมือนกันมันก็จะมาสู่สภาวะของการอยู่ด้วยปัญญาการอยู่ด้วยปัญญาคือเห็นโรคต่อความเป็นจริงเห็นกฎของพระไตรลักษณ์อย่างเงี้ยนะ เห็นปฏิจจสมบาตินะเห็นนะตาสี่ขันห้าต่าตงๆที่มันมีอยู่ในตัวเราเนี่ยละ่ะเราเก็เห็นโรคทั้งใบคือเห็นโรคตามความเป็นจริงเราสามารถที่จะเกี่ยวข้องกับโรคได้อย่างงดงามต่อไปนะเห็นว่าพูดไปตามสภาพรลองของมันนั่นแะก็ไม่ได้คิดมาก่อนว่าจะพูดอะไรนะ มันก็เป็นล่องมันก็พูดไปเรื่อยๆนะอันไหนถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ข อ, อไปเถอนะแต่ว่าก็ขอทําหน้าที่หน่อยหนึ่งก็ขอให้ความเป็นวัตถุเดีของเราทั้งหลายนั้นนะหรือว่าการที่เรามารวมตัวกันเพื่อที่จะเจริญติภาวนาก็ขอให้เข้าถึงของความเป็นพรหมจรรย์แล้วก็สามารถที่ทําให้พระนิพานเนี่ยมันแจ้งออกมาจอทั้งนะมันก็บ่าเนิ่นเกิดเนิ่นเกิด เนื้อแก่เนื้อแก่เนื้อเจ็บเนื้อเจ็บแล้วก็เนื้ตายเนื้อตายในวันชาตินี้โดยธนาคารทุกท่านทุกคนตั้งเติน